บทที่76คาถาชนะมารเมื่อได้ส่งน้ำชำระร่างกายแล้วท่านพระครูก็สดชื่นกระปี้กระเปร่าขึ้นความเหน็ดเหนื่อยเมื่อล้าจากการเดินทางไม่มีหลงเหลืออยู่ครองผ้าสามผืนเรียบร้อยแล้วจึงเดินกลับไปยังโคนไม้ว่าหลวงพ่อดำยังนั่งอยู่ในท่าเดิมซึ่งถ้าเป็นคนธรรมดาก็ต้องเปลี่ยนท่านั่งหลายครั้ง เนื่องจากทนกับความเมื่อยขบไม่ไหวบัดนี้สมภารวัดป่ามะม่วงรู้แล้วว่าภิกษุรัตรัญยูองค์นี้ไม่ใช่มนุษย์ธรรมดาสามัญจริงอยู่ร่างกายของท่านจะประกอบขึ้นด้วยขันห้าเชกเช่นคนทั่วไปหากก็เป็นขันห้าที่บริสุทธิ์หลุดพ้นเป็นอิสระจากความเกิดแก่เจ็บตายจึงดูเหมือนว่าสามารถดารงอยู่ในสภาพเดิมได้ แม้เวลาจะล่วงเลยผ่านไปนานเท่าใดก็ตามและหากเป็นเช่นพระอุตระจริงก็แสดงว่าอายุของท่านในเวลานี้จะต้องมากกว่า 2,300 ปีกราบเบญจังคับประดิษฐานครั้งและนั่งในที่อันสมควรแล้วภิกษุวัย45ิ้จึงถามหลวงพ่อจะเดินทุดงคืนนี้หรือว่าจะรอให้สว่างเสียก่อนครับ ทำไมต้องรอให้สว่างจะได้อาศัยแสงอาทิตย์สองทางครับเราไม่ต้องการแสงของดวงอาทิตย์เธอจำไว้นะนักปฏิบัติไม่จำเป็นต้องใช้แสงอาทิตย์เป็นเครื่องสองทางแสงแห่งปัญญานั่นแหละต่างหากที่ส่องสว่างให้เขาเดินทางไปถึงจุดหมายได้พระพุทธองค์ตรัสว่านัตถิปัญญาสมาอาภาแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีเธอเห็นด้วยไหม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 คือพระดำรัสทั้งปวงนับแต่ตรัสรู้จนเสด็จดับขันธปรินิพานล้วนเป็นสิ่งแท้จริงถูกต้องไม่เป็นอย่างอื่นแล้วไม่ขึ้นอยู่กับความเชื่อหรือไม่เชื่อของผู้ใดไม่ว่าใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อสิ่งที่พระองค์ตรัสและสิ่งที่พระองค์สอนก็จริงอย่างนั้นไม่เปลี่ยนแปลงไม่ถูกกําจัดด้วยการเวลาคาสอนของพระพุทธองค์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 ถ้ามีเหตุผลอะไรจึงคิดว่าเราจะไม่เห็นด้วยหละ่ะแทนคำตอบอาจารย์กลับถามผมยังไม่ได้คิดว่าหลวงพ่อจะไม่เห็นด้วยนี่ครับคนเป็นสิทธิ์แย้งไม่คิดแล้วถามทำไมผมก็ถามไปอย่างนั้นเองครับตกลงว่าหลวงพ่อจะออกทุดงคืนนี้เลยหรือเปล่าครับถูกแล้วแต่ยังไม่ใช่ตอนนี้เรายังมีเรื่องจะต้องบอกกล่าวให้เธอทราบ การทุดงครั้งนี้เป็นการฝึกขั้นอกกริชสำหรับเธอเพราะเต็มไปด้วยอันตรายนานาประการเราจึงต้องให้เธอเข้าผลสมบัติเจดวันก่อนที่จะเดินทางพบเราที่นี่แต่ถึงกระนั้นก็ต้องมาทำความเข้าใจในเรื่องต่างๆอีกเพื่อความปลอดภัยในชีวิตของเธอเองและอย่างที่ได้บอกแล้วว่าเราดลใจให้เธอมาหาหลวงพ่อเดิม เพื่อจะได้เรียนวิชาคชศาสตร์นอกจากวิชาคชศาสตร์แล้วเธอยังได้วิชายนระยะทางมาอีกด้วยซึ่งสองอย่างนี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับเธอในการทุดงหลวงพ่อพูดอย่างนี้ทำให้ผมนึกถึงคำพูดของหลวงพ่อเดิมที่ท่านพูดกับผมว่า จาต้องเรียนวิชาคดชศาสตร์ถ้าไม่เรียนจะต้องตายผมนึกว่าท่านขูผมเล่นพอมาฟังหลวงพ่อผมก็เข้าใจว่าที่ท่านพูดนั้นจริงไม่ใช่ขู่แต่อย่างใดแต่ผมขอสารภาพว่าผมชักจะลืมลมไปบ้างแล้วเพราะไม่ได้ใช้ส่วนวิชาย่นระยะทางผมใช้บ่อยจึงไม่ลืมลืมก็ไม่เป็นไร เดี๋ยวเราจะช่วยทบทวนให้เธอปัญญาดีทั้งความจำเป็นเลิศไม่ต้องวิตกกังวลใดๆทั้งสิ้นเอาละไหนลองบอกมาซิว่าหลวงพ่อเดิมสอนวิาชาคชศาสตร์อย่างไรบ้างผมจาไม่ค่อยได้แล้วครับหลวงพ่อแต่ที่ไม่ลืมก็คือท่านเล่าให้ผมฟังว่าช่างคู่บารมีของสมเด็จพระนเรสวนมหาราชนั้นมาจากบ้านพลานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชรนพลานไปล่าสัตว์ได้ลูกช้างมาตัวหนึ่งลักษณะดีจึงนำมาถวายสมเด็จพระธรรมราชาพระราชบิดาในสมเด็จพระนเรศวรขณะนั้นสมเด็จพระนเรศวรยังทรงพระเยาว์สมเด็จพระมหาธรรมราชาทรงพระราชทานลูกช้างแด่พระโอรสและเมื่อสมเด็จพระนเรศวรเสด็จขึ้นครองราช ก็ได้ส่งช้างเชือกนี้เป็นช้างคู่พระบรารมีและเธอรู้หรือเปล่าว่าช้างเชือกนี้มีความสําคัญต่อชาติบ้านเมืองมากสมเด็จพระนเรศวรทรงกระทํายุทธหัตถีกับมหาอุปราชทรงได้ชัยชนะก็เพราะช้างช่วยช่วยอย่างไรหรอกครับหลวงพ่อเดิมไม่ได้เล่าให้ฟังหรอือไม่ได้เล่าครับแล้วอยากฟังไหมอยากครับ ถ้าอยากก็จะเล่าให้ฟังคืออย่างนี้ขณะที่สมเด็จพระนเรสวนทรงกระทายุทธหัตถีกับมหาอุปราชาอยู่นั้นจางพระที่นั่งเกิดเสียหลักเลยถอยหลังไปชนต้นพุทาถ้าไม่ชนต้นพุทาก็คงแย่เหมือนกันแต่พอได้ต้นพุทสาเป็นหลักจึงใช้หลังยันต้นพุทาไว้แล้วพุ่งใส่คู่ต่อสู้ สมเด็จพระนเรสวรชงใช้โอกาสนี้สอดพระขอเงาวเข้าใต้พระกัญชาของพระมหาอุปราชาแล้วทรงกระชากอย่างแรงจนพระสอขาดสะพายแล้งและประวัติศาสตร์บันทึกไว้ว่าทรงฟันด้วยพระขอเงาวจะฟันได้อย่างไรนี่ถ้าเกิดเขาอนุญาตให้เธอแก้ประวัติศาสตร์อย่าลืมแก้ตรงนี้ด้วยนะ เพราะของ้าาด้ามยาวออกอย่างนั้นจะใช้ฟันจนคอขาดเป็นไปไม่ได้อ๋อยังมีอีกเรื่องหนึง่งที่เธอควรรู้ไว้คือสมเด็จพระนเรสวนทรงชนะศึกสงครามทุกครั้งก็เพราะพระองค์ทรงสวดคาถาชนะมารเธอรู้จักคาถาชนะมารหรือเปล่าคือชัยมงคลคาถาทั้งแปดบทที่ขึ้นต้นว่าพะหุงสหัสใช่ไหมครับ ถูกแล้วเธอรู้ไม่ว่าใครเป็นผู้รจนาไม่ทราบครับใช่ภิกษุชาวลังกาหรือเปล่าครับเพราะบทสวดนี้ไทยได้มาจากศีลังกาใครว่าศีลลังกาได้ไปจากไทยต่างหากนี่แสดงว่าเธอรู้ไม่จริงแต่เอาเธอเรายังไม่บอกเธอตอนนี้เอาไว้ปีพุทธศักราช2529 เธอจะได้พบกับผู้รจนาบทนี้ท่านเป็นอาจารย์ของสมเด็จพระนเรสวรมหาราชได้รจนาขึ้นไว้ให้สมเด็จพระนเรสวนทรงสวดเป็นประจำเพื่อจะได้รบชนะสมเด็จพระนเรศวรไม่เคยแพ้ทับด้วยคาถาแปดบทนี้เธอจดจำไว้เลยนะว่าปีพุทธศักราช2529เธอจะได้พบกับพระอาจารย์ของสมเด็จพระนเรศวร ภิกษุวัยส5จึงหยิบกระดาษและดินสอออกมาจักย่ามอีกครั้งทว่าแสงนวลของดวงจันทราไม่สว่างพอที่จะมองเห็นท่านจึงจุดไม่ขีดก้านหนึ่งขึ้นเมื่อจุดเสร็จไม่ขีดก้านนั้นก็ไม่หมดพอดี มีอีกเรื่องหนึ่งที่เราจะบอกเธอจะจำหรือจะจดไว้ก็ตามคือในปีพุทธศักราช2535ช้างของสมเด็จพระนเรสวนมาอยู่ที่วัดเธอท่านพระครูยังไม่ได้เก็บสมุดดินสอในยามจึงจุดไม่ขีดขึ้นอีกก้านหนึ่งแล้วจัดการจดบันทึกไว้เป็นหลักฐานมิใช่ไม่เชื่อในสิ่งที่หลวงพ่อในป่าพูด หากต้องการจดไว้การเลืมและจะได้นำไปเล่าให้ลูกศิษย์ลูกหาฟังในวันข้างหน้าด้วยเอาละ่ะทีนี้ก็มาทบทวนวิชาคชศาสตร์ที่เธอร่ำเรียนมาจากหลวงพ่อเดิมเพราะคืนนี้เราจะทุดงไปในป่าดงพญาเย็นด้วยกันเธอรู้ว่าป่าดงพญาเย็นไหมละ่ะรู้จักครับหลวงพ่อถ้ารู้จักก็ลองบอกมาสิว่าเมื่อก่อนป่าแห่งนี้ชื่ออะไร และทำไมจึงมาเปลี่ยนเป็นดงพญาเยน็นเห็นพระครูตอบไม่ได้โดยไม่เคยได้ยินไม่ได้ฟังมาก่อนครั้นจะตอบตามตรงว่าไม่รู้ก็เกรงว่าจะถูกหลวงพ่อในป่าตําหนิติดเตียนจึงจําเป็นต้องใช้เห็นหนอเข้าช่วยแล้วเห็นหนอก็ส่งคําตอบให้ในวินาทีนั้นครั้นตอบหลวงพ่อดําว่าแต่เดิมดงพญาเยน็นมีชื่อว่าดงพญาไฟ ครั้นถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหากษัตริย์พระองค์ที่ห้าแห่งราชวงศ์จั ก, กรีทรงดำริว่าชื่อพญาไฟฟังดูร้อนและหน้าพรั่นพลึงจึงทรงเปลี่ยนมาเป็นพญาเยน็นให้ฟังดูร่มเย็นและไม่น่ากลัวป่าดงพญาไฟจึงกลายมาเป็นดงพญาเยน็นนับแต่บัดนั้น ผมตอบคำถามหลวงพ่อแล้วนะครับดีมากถึงเธอจะใช้เห็นหนอช่วยตอบเราก็ไม่ว่าอะไรดีสิเอกถ้าเธอรู้จักใช้อย่าลืมนะว่าเห็นหนอนั้นมีค่าหลายร้อยหลานพันล้านหรือถ้าจะพูดให้ถูกกว่านั้นก็ต้องว่าเห็นหนอหาค่าบ่มีได้หาค่าบ่มีได้ไดก็แปลว่าไม่มีค่าสิครับหลวงพ่อ ท่านพระครูตั้งใจยั่วยาวตามใจถ้าเธอเข้าใจอย่างที่พูดก็ได้แต่เราก็รู้ว่าจริงๆแล้วเธอรู้หลวงพ่อรู้ได้อย่างไรครับก็เราใช้เห็นหนอเหมือนกับเธอนั่นแหละเห็นหนอคือปัญญานี่เราหมายถึงเห็นหนอที่เป็นของแท้เท่านั้นนะหมายความว่าเห็นหนอมีทั้งของแท้และของเทียมเหรอครับคราวนี้ท่านไม่รู้จริงๆ ถูกแล้วมันเป็นธรรมดาของโลกนะมีของแท้ก็ต้องมีของเทียมเหมือนหลวงพ่อทวดก็ต้องมีหลวงพ่อเทียบหลวงพ่อเทียมต่อไปในวันข้างหน้าพระเทียบจะเต็มวัดเต็มวาเลยละ่ะทั้งสมภารและลูกวัดเป็นพระเทียมทั้งนั้นพระแท้จึงหายากแต่เธอจําไว้อย่างหนึ่งว่า อะไรที่หายากสิ่งนั้นย่อมมีค่ามหาศาลไม่จริงเสมอไปกระมังครับหลวงพ่ออย่างขี้ฟันเสือเนี่ยหายากแต่ก็ไม่เห็นมีค่าเพราะไม่มีใครเขาต้องการขายก็คงไม่มีใครซื้อลูกสิทธิ์แจ้งไม่เห็นด้วยกับอาจารย์แท้จริงตั้งใจยั่วยาวอย่าเพิ่งชักใบให้เรือเสียหลวงพ่อดำปราม ท่านพระครูเลยยิ้มเขินๆอยู่ในความมืดแต่ไม่มิดเพราะมีแสงนวลของดวงสัสิทอนสาดส่องลงมาจากฟากฟ้าเบื้องบุรพาทิศเรากําลังจะบอกเธอว่าเห็นหนอนี้เป็นของแท้คือตัวปัญญาส่วนเห็นหนอที่เป็นของเทียมเป็นสัญญาแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรครับว่าเมื่อไรเป็นของแท้เมื่อไรเป็นของเทียม ถามเพื่อทดสอบภูมิรู้และภูมิธรรมของอาจารย์เอาละทั้งที่เรารู้ว่าเธอถามมาก็เพื่อทดลองภูมิเราอันที่จริงเธอทราบคำตอบแล้วแต่เราก็จะแกล้ ง, งโง่เธอจำไม่นะเวลาไปสอนลูกศิษย์บางครั้งเธอก็ต้องทาแกล้ ง, งโง่ถึงเธอจะรู้หมดทุกเรื่องก็ไม่จำเป็นต้องแสดงให้คนอื่นเขารู้ว่าเธอรู้ โบราณสอนไว้ว่าโง่บอเป็นบอบเป็นใหญ่ฉะนั้นเธอต้องโง่เป็นเพราะในวันข้างหน้าเธอจะได้เป็นใหญ่ผมจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีเหรอครับสิทธิ์ไม่วายยัวเธอจะเป็นใหญ่ยิ่งกว่านายกรัฐมนตรีสิอีก เอาเธอเมื่อถึงเวลาเธอก็จะรู้เองแต่ตอนนี้เธอต้องฝึกอบรมศีลสมาธิปัญญาให้แก่กล้าที่ภาษาพระเรียกว่าอบรมกายจิตให้ถึงพร้อมเพื่อที่จะได้เผชิญกับปัญหาในวันข้างหน้าในอนาคตภัยบ่อนเบียนพระาศาสนาจะมีมากขึ้นหากภิกษุซึ่งได้ชื่อว่าเป็นผู้รักษาพระาศาสนาไม่อบรมกายจิตให้ถึงพร้อม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 หลวงพ่อไม่ช่วยเขาบ้างหรอครับคนชั่วเขาไม่ต้องการความช่วยเหลือจากเราคนพวกนี้เขาเป็นมิจฉาทิฏฐิเขาไม่เชื่อเราไม่เชื่อเรื่องบาปบุญคนโทษถึงพระพุทธเจ้าจะมาโปรโดเขาก็จะไม่ฟังเพราะอะไรจึงเป็นเช่นนั้นครับเพราะกรรมนะสิเธอรู้ไม่ใช่หรือเมื่อพระพุทธองค์ทรงบรรจุจตุป ป, ปาตยานทรงได้ทิพจักสุ เห็นปวงสัตว์เวียน่ายอยู่ในสังสารวัตรตามอำนาจแห่งกรรมเธอจึงเปร่งอุทานว่ากามมุนาวัตตีโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมที่เธอต้องมาเดินทุดงก็เป็นเพราะกรรมอันนั้นแต่เป็นกรรมดีภิกษุผู้มีไว้คงที่กล่าวน้ำเสียงของท่านนุ่มนวลชวนฟังหากแฝงไว้ด้วยอำนาจลึกลับ ผิดจากคนธรรมดาสมพานวัดป่ามะม่วงฟังอย่างดื่มดำเพลิดเพลินดุดได้ย้อนอดีตเข้าไปอยู่ในยุคพุทธกาลนั้นเทียวหลวงพ่อยังไม่ได้ตอบคําถามผมเลยนะครับคําถามอะไรก็เมื่อกี้นี้หลวงพ่อบอกว่าเห็นหนอมีทั้งของแท้และของเทียมผมจึงเรียนถามว่าเราจะทราบได้อย่างไรว่าเมื่ อ, อไรมันเป็นของแท้เมื่ อ, อไรเป็นของเทียม หลวงพ่อยังไม่ได้ตอบผมเลยครับสิทธ์ช่วยทบทวนความจําถ้าเธอเป็นเราเธอจะตอบว่าอย่างไรล่ะผมไม่กล้าเป็นหลวงพ่อหรอกครับสำนวนหนังจีนเขาว่ามีบางอาจผมมีบางอาจครับสมมุติว่าเธอเป็นก็แล้วกันผมไม่ชอบสมมติครับชอบปรมัดสิทธิแจ้งตอบให้วกวนเธอไม่ชอบสมมุติ แต่เธอก็อยู่ในโลกสมมุติลองพิจารณาดูสิโลกนี้มีอะไรแท้จริงบ้างเธอคิดถูกที่ชอบปรามาัดแต่อย่าลืมว่าถ้าเราเข้าถึงปรามาัดได้ก็ต้องผ่านสมมติก่อนฉะนั้นเธอตอบคำถามได้แล้วผมไม่มีทางเลือกเลยเหรอครับก็นี่แหละทางเลือกของเธอเป็นทางเลือกที่เราเป็นคนเลือกให้ฉะนั้นรีบตอบมาเสียดีด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 เกิดขนาดที่เราเจริญสมรถะซึ่งจะมาในรูปของนิมิตต่างๆอย่างคนที่นั่งแล้วเห็นนรกเห็นสวรรค์เห็นอะไรต่อมิอะไรไปเปลอะไปหมดแล้วก็เที่ยวไปคุยฟุง้งว่าตัวสำเร็จแล้วพวกที่ได้เห็นหนอแบบหลังนี่มีมากเลยครับหลวงพ่อแล้วคนพวกนี้ก็จะมาคุยอวดกันหารู้ไม่ว่าที่อุดอวดขณะของเทียมทั้งนั้น เอาล่ะที่นี่เธอเห็นความสำคัญของปัญญาแล้วใช่ไหมเห็นหรือยังว่าแสงแห่งปัญญานั้นสว่างกว่าแสงอาทิตย์และแสงจันทร์แสงอาทิตย์ส่องสว่างเฉพาะกลางวันส่วนแสงจันทร์ส่องสว่างเฉพาะกลางคืนแต่แสงแห่งปัญญาสว่างสวัยตลอดการทำให้เราเห็นความจริงได้แม้อยู่ในที่มืด